ทำคำสอนของหลวงพ่อชาสุภัทโทรเรื่องทางสายกลางพระพุทธโอวาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านทรงเตือนให้เราละความประความดีเมื่อละความชั่วประพฤติความดีแล้วที่สุดก็ทรงสอนให้ละสิ่งทั้งสองนี้ไปซะด้วยฉะนั้นวันนี้จึงจะขอให้คติในเรื่องทางสายกลางคือให้ละให้ได้หรือหลีกให้พ้นจากสิ่งทั้งสองนั้นทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปที่เป็นสุขเป็นทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้แหละ จุดมุ่งหมายปลายทางของการอธิบายธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นที่จริงก็คือให้พ้นจากทุกนั่นเองแต่ก่อนที่จะพ้นจากทุกได้นั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกันให้มันตรงให้มันแน่นอนถ้าเข้าใจไม่ตรงไม่แน่นอนแล้วก็จะลงสู่ความสงบไม่ได้ฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาท่านตรัสรู้แล้ว ท่านประกาศศาสนานั้นเบื้องแรกท่านยกทางทั้งสองขึ้นมาว่าเลยคือกามสุขันลิกานุโยโคและอัตตากิลมถานุโยโคทางทั้งสองอย่างนี้เป็นทางที่ลุ่มหลงเป็นทางที่พวกเสพกามหลงติดอยู่ซึ่งย่อมไม่ได้รับความสงบระ ง, งับเป็นหนทางที่วนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสารสมเด็จพระบรมศาสดา ท่านทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในทางทั้งสองไม่เห็นทางสายกลางของธรรมะท่านจึงทรงยกทางทั้งสองขึ้นมาแสดงให้เห็นโทษในทางทั้งสองนั้นถึงเช่นนั้นพวกเราทั้งหลายก็ยังพากันติดพากันปลารบอยู่ร่ำไปฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าทางทั้งสองอย่างนั้นเป็นทางที่ลุ่มหลงไม่ใช่ทางของสมณะ คือไม่ใช่ทางที่สงบระงับอัตตากิลมัฐานุโยโคและกามสุขานิกานุโยโคก็คือทางตึงและทางหย่อนนั่นเองถ้าเราน้อมเข้ามาพิจารณาให้เห็นในทางปัจจุบันทางตึงก็คือความโกรธอันเป็นทางเศร้าหมองท่านเรียกอัตตากิลมัฐานุโยโคเดินไปแล้ว ก็เป็นทุกข์ลำบากการสุขันธิการนุโยโคก็คือความดีใจความพอใจความดีใจนี้ก็เป็นทางไม่สงบทางทุกข์ก็เป็นทางไม่สงบเราจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระบรมศาสดาท่านว่าเมื่อได้เห็นความสุขแล้วให้พิจารณาความสุขนั้นท่านไม่ให้ติดอยู่ในความสุขคือท่านให้วางทั้งสุขและทุกข์ การวางทั้งสองด้านนี้เป็นสัมมาปฏิปทาท่านเรียกว่าเป็นทางสายกลางคำว่าทางสายกลางไม่ได้หมายถึงในด้านกายและวาจาของเราแต่หมายถึงในด้านจิตใจเมื่อถูกอารมณ์มากระทบถ้าอารมณ์ที่ไม่ถูกใจมากระทบกระทั่งก็ทำให้วุ่นวายถ้าจิตวุ่นวายวันไหวเช่นนี้ ก็ไม่ใช่หนทางเมื่ออารมณ์ที่ชอบใจดีใจเกิดขึ้นมาแล้วก็ดีอกดีใจติดแน่นอยู่ในการามสุขันลิกานุโยโคอันนี้ก็ไม่ใช่หนทางมนุษย์เราทั้งหลายไม่ต้องการทุกต้องการแต่สุขความจริงสุขนั้นก็คือทุกอย่างละเอียดนั่นเองส่วนทุกข์ก็คือทุกอย่างหยาบพูดอย่างง่าย สุขและทุกนี้ก็เปรียบเสมือนงูตัวหนึ่งทางหัวมันเป็นทุกทางหางมันเป็นสุขเพราะถ้าลูบทางหัวมันมีพิษทางปากมันก็มีพิษไปใกล้ทางหัวมันมันก็กัดเต่าไปจับหางมันก็เหมือนเป็นสุขแต่ถ้าจับไม่วางมันก็หันกลับมากัดได้เหมือนกันเพราะทั้งหัวงูและหางงูมันก็อยู่ในงูตัวเดียวกัน ความดีใจความเสียใจมันก็เกิดจากพ่อแม่เดียวกันคือตัณหาความลุ่มหลงนั่นเองฉะนั้นบางทีเมื่อมีสุขแล้วใจก็ยังไม่สบายไม่สงบทั้งที่ได้สิ่งที่พอใจแล้วเช่นได้ลาบยศสรรเสริญได้มาแล้วก็ดีใจก็จริงแต่มันก็ยังไม่สงบจริงๆเพราะยังมีความเคลือบแคลงใจว่ามันจะสูญเสียไป กลัวมันจะหายไปความกลัวนี่แหละเป็นต้นเหตุให้มันไม่สงบบางทีมันเกิดสูญเสียไปจริงๆก็ยิ่งเป็นทุกข์มากนี่หมายความว่าถึงจะสุขก็จริงแต่ก็มีทุกดองอยู่ในนั้นด้วยแต่เราก็ไม่รู้จักเหมือน ก, นกันกับว่าเราจับงูถึงแม้ว่าเราจับหางมันก็จริงถ้าจับไม่วางมันก็หันกลับมากัดได้ ฉะนั้นหัวงูก็ดีหางงูก็ดีบาปก็ดีบุญก็ดีอันนี้ในวงวัฏตะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงดังนั้นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วก็ไม่ใช่หนทางมักหนทางสู่ความสงบระงับศีล ส, สมาธิปัญญานั้นถ้าหากพูดกันตามลักษณะตามความเป็นจริงแล้ว ก็ยังไม่ใช่แก่นาศาสนาหรือตัวาศาสนาแต่เป็นหนทางนำไปสู่ตัวาศาสนาฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาทั้งสามอย่างนี้ว่ามักอันแปลว่าหนทางตัวาศาสนาคือความสงบระงับอันเกิดจากความรู้เท่าในความเป็นจริงในธรรมชาติของความเป็นจริงที่เกิดอยู่ เป็นอยู่ซึ่งถ้าได้นํามาพิจารณาดูอย่างละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าความสงบนั้นไม่ใช่ทั้งความสุขและความทุกข์ฉะนั้นสุขและทุกข์จึงไม่ใช่เป็นของจริงพระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้ตัวเองให้เห็นตนเองให้พิจารณาตัวเองเพื่อให้เห็นจิตของตนเองความจริงจิตเดิมของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่หวั่นไหว เป็นธรรมชาติที่ทรงอยู่แน่นอนอยู่อย่างนั้นแต่ที่มีความดีใจเสียใจหรือความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นนั้นเพราะขณะนั้นมันไปหลงอยู่ในอารมณ์จึงเป็นเหตุให้เคลื่อนไหวไปมาแล้วก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นสมเด็จพระบรมศาสดาท่านตรัสสอนไว้แล้วทุกอย่างในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ แต่พวกเราทั้งหลายยังไม่ได้ปฏิบัติกันหรือไม่ก็ปฏิบัติแต่ปากเท่านั้นหลักของพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่การจะมาพูดกันเฉยๆหรือด้วยการเดาหรือการคิดเอาเองหลักของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคือความรู้เท่าความจริงตามความเป็นจริงนั่นเองถ้ารู้เท่าตามความเป็นจริงนี้แล้วการสอนก็ไม่จาเป็น แต่ถ้าไม่รู้ถึงความเป็นจริงอันนี้แม้จะฟังคำสอนเท่าใดก็เหมือนกับไม่ได้ฟังพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าพระองค์เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นแต่ไม่สามารถจะทำแทนหรือปฏิบัติแทนได้เพราะธรรมชาติทั้งหลายหรือความจริงอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาเองปฏิบัติเองคาสอนต่างๆเป็นเพียงแนวทางหรืออุ ป, ปมาอุปไมย เพื่อนำให้เข้าถึงความรู้ตามความเป็นจริงถ้าไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงเราก็เป็นทุกข์เหมือนดังตัวอย่างว่าเรามักใช้คำว่าสังขารเมื่อเราพูดถึงร่างกายแต่ความจริงนั้นเราหารู้จักความเป็นจริงของสังขารนี้ไม่แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสังขารนี้ทั้งนี้เพราะเราไม่รู้ความจริง เกี่ยวกับสังขารหรือร่างกายของเรานี้เราจึงเป็นทุกข์หรือความทุกข์จึงเกิดขึ้นจะยกตัวอย่างให้เห็นสักอย่างหนึง่งสมมุติว่าเราเดินไปทํางานระหว่างทางก็มีบุรุษผู้หนึ่งคอยต่อว่าเราอยู่เป็นประจำตอนเช้าก็ดา่าตอนเย็นก็ดา่าเมื่อได้ยินคำด่าเช่นนี้จิตใจก็หวั่นไหวไม่สบายใจโกรธน้อยใจ เศร้าหมองบุรุษผู้นั้นก็เพียงด่าเช้าด่าเย็นอยู่เช่นนั้นทุกวันได้ยินคำด่าเมื่อใดก็โกรธเมื่อนั้นกลับถึงบ้านแล้วก็ยังโกรธอยู่ที่โกรธที่วันไหวเช่นนี้ก็เพราะความไม่รู้จักนั่นเองวันหนึ่งเพื่อนบ้านก็มาบอกว่าลุงคนที่มาด่าลุงทุกเช้าทุกเย็นนั่ น, นเป็นคนบ้าเป็นบ้ามาหลายปีแล้ว มันด่าคนทุกคนแหละชาวบ้านเขาไม่ถือมันหรอกเพราะมันเป็นบ้าพอรู้อย่างนี้แล้วใจของเราก็คลายความโกรธทันทีความโกรธความขุนมัวที่เก็บไว้หลายวันแล้วนั้นก็คลายหายไปเพราะอะไรก็เพราะได้รู้ความจริงแล้วแต่ก่อนนั้นไม่รู้เข้าใจว่าเป็นคนดีคนปกติฉะนั้นพอได้ยินว่า เป็นคนบ้าจิตก็เปลี่ยนเป็นสบายทีนี้มันอยากจะด่าก็ให้ด่าไปไม่โกรธไม่เป็นทุกข์เพราะรู้เสแล้วว่าเป็นคนบ้านี่ที่จิตใจสบายก็เพราะรู้เท่าทันความจริงนั่นเองเมื่อมันรู้เองมันก็วางของมันเองถ้ายังไม่รู้มันก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นเองอีกเหมือนกัน แต่พอรู้ความเป็นจริงจิตใจก็สบายนี่แหละคือความรู้เท่าตามความเป็นจริงคือรู้ว่าคนนั้นเป็นบ้านคนผู้รู้ธรรมก็เหมือนกันพอรู้จริงความโลภความโกรธความหลงก็หายไปเพราะรู้เท่าทันความเป็นจริงจะรู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งปวงต้องเดินทางสายกลาง พระพุทธองค์ทรงสอนว่าสังขารร่างกายของเรานี้ไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเป็นเพียงสังขารทรงบอกอย่างชัดชเช่นนี้เราก็ยังไม่ยอมมันยังขืนไปแย่งยื้ออยู่นั่นแหละถ้าหากว่ามันพูดได้มันก็คงจะบอกว่าเจ้าอย่ามาเป็นเจ้าของฉันนะความจริงมันบอกอยู่แล้วทุกขณะ แต่เราเองไม่รู้เพราะมันเป็นภาษาธรรมอย่างสกลร่างกายนี้ตาก็ดีจมูกก็ดีหูก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีทั้งหลายเหล่านี้แหละก็แล้วแต่มันจะเปลี่ยนไปแปลไปไม่เห็นมันขออนุญาตเราสักทีเช่นเมื่อปวดหัวปวดท้องหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นมันไม่เคยขออนุญาตจากเราเลย เวลามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเลยเป็นไปตามสภาวะของมันอันนี้ก็แสดงว่ามันไม่ยอมให้เราเป็นเจ้าของของมันสมเด็จพระบรมศาสดา จ, จึงสอนว่าสุญโยสัพโพมันเป็นของว่างมันไม่ได้เป็นของผู้ใดเราทั้งหลายไม่เข้าใจธรรมะในสภาวะอันนี้ ไม่เข้าใจในสังขารอันนี้จึงคิดว่าของเราของเขาเกิดอุปาทานขึ้นมาเมื่อเกิดอุปาทานก็เข้าไปยึดพบเกิดพบเกิดชาติชราพยาธิมรณะต่อไปมันเป็นทุกข์เช่นนี้ที่ท่านเรียกว่าอีทัพปัจจยตานั่นแหละอวิชชาเกิดสังขารสังขาร เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปเป็นเช่นนี้แหละอันนี้มันล้วนแต่เป็นในขณะของจิตถ้าเกิดอารมณ์ไม่ถูกใจขึ้นมาก็ไม่รู้จักหรือไม่รู้เท่าทันเพราะอยู่ในอวิชชามันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเลยความเป็นจริงขณะของจิตอันนี้มันติดกันอยู่ทีเดียวมันเร็วมาก แต่เราเองรู้ไม่เท่าทันเปรียบเหมือนว่าเรากำลังอยู่บนยอดไม้แล้วตกปุ๊บลงมาที่พื้นดินจึงรู้สึกตัวว่าตกต้นไม้แต่ความจริงนั้นก่อนที่จะตกถึงพื้นดินเราก็ตกผ่านทุกก้านทุกกิ่งของต้นไม้นั่นแหละแต่ไม่สามารถนับได้ว่านาทีใดถึงกิ่งไหนวินาทีใดถึงกิ่งไหนเพราะมันเร็วมาก แต่พอตูมเดียวก็ถึงพื้นดินเลยแล้วก็เป็นทุกข์เลยอิทัปปัจจยตามันเป็นเช่นนั้นถ้าเราแยกเป็นปริยัติอวิชชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปว่ากันไปเป็นตอนๆ ต, ตามความจริงนั้นพออารมณ์เกิดความไม่พอใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเลย อาการที่มันเกิดทุกข์ขึ้นนั้นมันผ่านไปจากอวิชชาสังขารผ่านไปพริบเดียวถึงนน้นโสกปริเทวคือทุกข์เลยฉะนั้นสมเด็จพระบร ม, มาศาสดาจึงให้ตามดูจิตของเราทั้งหลายให้รู้ตามความเป็นจริงของมันและในความเป็นจริงเหล่านี้ท่านให้เข้าใจว่ามันเป็นแต่เพียงสังขารเท่านั้น และสังขารนี้แหละมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยทั้งหลายที่มันเป็นมาที่เรามาเรียกหรือสมมุติเอาอีกทีหนึ่งที่เรียกว่ามนมุษย์สัตว์เช่นเดียวกับชื่อของเรามันก็สมมุติเหมือนกันเราไม่ได้มีชื่อมาแต่กำเนิดต่อเมื่อเกิดขึ้นแล้วจึงเอาชื่อไปใส่ คือตั้งชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าสมมุติตั้งชื่อกันเพื่ออะไรก็เพื่อให้มันเรียกกันง่ายสะดวกแก่การใช้ภาษาเรียกขานพูดจากันการปริยัติก็เหมือนกันที่แยกออกก็เพื่อสะดวกแก่การศึกษาเล่าเรียนสิ่งทั้งหลายนี้แหละเรียกว่าสังขาร มันเป็นสังขารเกี่ยวกับสภาวะอันนี้ที่เกิดมาจากเหตุจากปัจจัยสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงตรัสว่าสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพวกเราทั้งหลายเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ชัดเจนจึงทําความเห็นในเรื่องนี้ไม่ตรงไม่แน่อันเป็นความเห็นผิดที่เรียกว่า มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้ก็คือการยึดเอาสังขารเป็นเรายึดเอาเราเป็นสังขารเอาเราเป็นสุขเอาสุขเป็นเราเอาเราเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นเราที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงนั่นเอง ถ้าเรารู้เท่าตามความเป็นจริงเราก็จะรู้ว่าเราไม่สามารถควบคุมสังขารเหล่านี้ให้เป็นไปตามอำนาจของเราเพราะธรรมชาติเหล่านี้มันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของมันเราจะบังคับให้ตรงนี้เป็นอย่างนั้นตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตามอำนาจของเราย่อมจะเป็นไปไม่ได้เปรียบง่ายๆก็อย่างว่า เราไปนั่งอยู่ที่กลางถนนซึ่งมีรถวิ่งไปมาอยู่ขวักขวายแล้วเราจะไปโกรธรถที่วิ่งหรือจะไปห้ามรถที่กำลังวิ่งอยู่ว่าอย่าขับรถมาทางนี้เราก็ห้ามไม่ได้เพราะถ น, นนนี้เป็นถนนหลวงดังนั้นเราควรทำอย่างไรทางที่ดีก็คือเราควรต้องออกไปให้พ้นถนน ไปให้พ้นทางที่รถวิ่งแต่ที่จะห้ามรถไม่ให้วิ่งนั้นทําไม่ได้เพราะมันเป็นหนทางของเราเรื่องของสังขารก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมันไม่มีอะไรแน่นอนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวก็เกิดอารมณ์ที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างมากระทบกระทั่ง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่ามันมากวนเวลานั่งภาวนาอยู่ก็ว่าเสียงมากวนเราอันที่จริงนั้นเราไม่เข้าใจว่าเสียงมากวนเราหรือเราไปกวนเสียงกันแน่ถ้าเรายึดว่าเสียงมากวนเรามันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราพิจารณาดูให้ดีก็จะได้รู้ว่าเราไปกวนเสียงต่างหาก เสียงมันก็ดังอยู่แต่ของมันมันไม่ได้มีความรู้สึกรําคาญอะไรเลยเราตั้งหากที่รําคาญพวกเราไปกวนมันความจริงนั้นเสียงก็เป็นเสียงเราก็เป็นเราถ้าเข้าใจเสียได้เช่นนี้มันก็ไม่มีอะไรเราก็สบายมีเสียงขึ้นมาก็รู้ว่าเสียงมันดังแต่ของมัน เราไม่ได้ยึดหมายมันเข้าเราก็ไม่เกิดทุกข์นี่เรียกว่าเรารู้เท่าตามความเป็นจริงเราเห็นทั้งสองอย่างเมื่อเห็นทั้งสองอย่างคือทั้งสุขและทุกข์ตามความเป็นจริงใจก็สงบสบายการที่จะได้เห็นทั้งสองอย่างนี้เราจะต้องยืนอยู่ตรงกลางหรืออยู่ระหว่างกลาง นี่เป็นสัมมาปฏิปทาของจิตนี้คือการทําความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องเมื่อปฏิบัติไม่ถึงทางสายกลางก็ไม่มีวันพ้นทุกข์สังขารของเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นไปตามทางของมันถ้าเราจะไปกั้นทางไปห้ามทาง หรือไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ไม่จริงไม่จังอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปโดยเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนของเราเราก็จะมีแต่ความทุกข์ฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาท่านจึงทรงสอนให้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นพระหรือเนนหรือคารวาัตให้พิจารณาแล้วทําความเห็นให้ถูกต้อง เมื่อมีความเห็นถูกต้องแล้วก็สงบสบายการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่านักพรตนักบวชหรือฆราวาสก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมพิจารณาธรรมได้เท่ากันและธรรมที่พิจารณานั้นก็เป็นธรรมอันเดียวกันนั่นเองพิจารณาให้ไปสู่ความสงบระงับอันเดียวกัน ด้วยวิถีของมัคอันเดียวกันฉะนั้นท่านจึงว่าจะเป็นคารวาสก็าตามบรรพชิตก็ตามมีสิทธิที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงเหมือนกันเมื่อเรารู้สภาวะสังขารตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเราก็หวางสัก และเมื่อรู้เท่าอย่างนี้แล้วพบก็เกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรจึงเกิดไม่ได้เพราะมันไม่มีทางจะเกิดเพราะเรารู้เท่าตามความเป็นจริงเสียแล้วฉะนั้นให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นอยู่นั้นมันเป็นศัก์แต่ว่าอาศัยเท่านั้นถ้ารู้ได้เช่นนี้ ท่านว่ารู้เท่าตามสังขารทีนี้แม้จะมีอะไรอยู่ก็เหมือนไม่มีได้ก็เหมือนเสียเสียก็เหมือนได้สมเด็จพระบรมศาสดาท่านทรงสอนให้รู้อย่างนี้เพราะนี่คือความสงบสงบจากความสุขสงบจากความทุกข์สงบจากความดีใจเสียใจ ได้มาก็ไม่ดีใจเสียไปก็ไม่เสียใจมันเป็นเรื่องที่ทั้งไม่เกิดและไม่ตายเรื่องเกิดเรื่องตายนี้ไม่ได้หมายถึงอวัยวะร่างกายอันนี้แต่หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มันไม่มีแล้วหมดแล้ว ฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาท่านจึงทรงบอกว่าพบสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วไม่มีพบอื่นชาติอื่นอีกแล้วท่านรู้อย่างนั้นแล้วท่านก็รู้สิ่งที่มันไม่เกิดไม่ตายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เองนี่คือโอวาทที่สมเด็จพระบรมศาสดาท่าน ทรงคำชับสาวกมากที่สุดว่าให้พยายามเข้าให้ถึงอันนี้ที่เป็นสัมมาปฏิปทาถ้าไม่ปฏิบัติให้ถึงทางสายกลางไม่ตรงเข้าไปถึงทางสายกลางให้ได้แล้วก็จะไม่มีวันผลทุก คำสอนของหลวงพ่อชาสุภัทโทเรื่องธรรมะกับธรรมชาติบางครั้งต้นผลไม้ อย่างต้นมะม่วงเป็นดอกออกมาแล้วบางทีถูกลมพัดมันก็หล่นลงแต่ยังเป็นดอกอย่างนั้นก็มีบางช่อเป็นลูกเล็กๆ ล, ลมก็มาพัดไปหล่นทิ้งไปก็มีบางช่อยังไม่ได้เป็นลูกเป็นดอกเท่านั้นก็หักไปก็มีคนเราก็เหมือนกันบางคนตายตั้งแต่อยู่ในท้อง บางคนคลอดจากท้องอยู่ได้สองวันตายไปก็มีหรืออายุเพียงเดือนสองเดือนสามเดือนยังไม่ทันโตตายไปก็มีบางคนพอเป็นหนุ่มเป็นสาวตายไปก็มีบางคนก็แก่เท่าแล้วจึงตายก็มีเมื่อ น, นึกถึงคนแล้วก็นึกถึงผลไม้ก็เห็นความไม่แน่นอน แม้นักบวชเราก็เหมือนกันบางทียังไม่ทันได้บวชเลยยังเป็นเพียงผ้าขาวอยู่ก็พาผ้าขาววิ่งหนีไปก็มีบางคนโกนผมเท่านั้นยังไม่ได้บวชขาวด้วยซ้ำก็หนีไปก่อนแล้วก็มีบางคนก็อยู่ได้สามสี่เดือนก็หนีไปบางคนอยู่ถึงบวชเป็นเนรเป็นพระได้พรรษาสองพรรษาก็ศึก ไปก็มีหรือ 4, 5, สี่ห้าพันษาแล้วก็สึกไปก็มีเหมือนกับผลไม้เอาแน่นอนไม่ได้ดอกไม้ผลไม้ถูกลมพัดตกลงไปเลยไม่ได้สุกจิตใจคนเราก็เหมือนกันพอถูกอารมณ์มาพัดไปดึงไปก็ตกไปเหมือนกับผลไม้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเห็นเหมือนกัน เห็นสภาพธรรมชาติของผลไม้ใบไม้แล้วก็นึกถึงสภาวะของพระเนรซึ่งเป็นบริษัทบริวารของท่านก็เหมือนกันมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นย่อมจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ฉะนั้นผู้ปฏิบัติถ้ามีปัญญาพิจารณาดูอยู่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีครูอาจารย์ แนะนำพร่ำสอนมากมายพระพุทธเจ้าของเราที่จะทรงพนวดในพระชาติที่เป็นพระชนกุมาร น, นั้นท่านก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายท่านไปทรงเห็นต้นมะม่วงในสวนอุทยานเท่านั้นคือวันหนึ่งพระชนกุมารได้เสด็จไปชมสวนอุทยานกับพวกอมตะทั้งหลาย ได้ทรงเห็นต้นมะม่วงต้นหนึ่งกำลังออกผล ง, งามๆมากมายก็ตั้งพระไัยไว้ว่าตอนกลับจะแวะเสวยมะม่วงนั้นแต่เมื่อพระชนกุมารเสด็จผ่านไปแล้วพวกอมาตะก็พากันเก็บผลมะม่วงตามใจชอบฟาดด้วยกระบองบ้างแซ่บังเพื่อให้กิ่งหักใบขาด จะได้เก็บผลมะม่วงมากินพอตอนเย็นพระชนกุมารเสด็จกลับก็จะทรงเก็บมะม่วงเพื่อจะลองเสวยว่าจะมีรสอร่อยเพียงใดแต่ก็ไม่มีมะม่วงเหลือเลยสักผลมีแต่ต้นมะม่วงที่กิ่งก้านหักห้อยเกะ ก, กะใบก็ขาดวิ่นเมื่อไต่ถามก็ทรงทราบว่าพวกอมาตะเหล่านั้น ได้ใช้กระบองใช้แท่ฟาดต้ตนมะม่วงนั้นอย่างไม่ปราณีเพื่อที่จะเอาผลของมันมาบริโภคฉะนั้นใบของมันจึงขาดกระจัดกระจายกิ่งของมันก็หักห้อยระเกะระกะเมื่อพระองค์ทรงมองมะม่วงอีกต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันก็ทรงเห็นมะม่วงต้นนั้นยังมีกิ่งก้านแข็งแรงใบดกสมบูรณ์ มองดูหน้าร่มเย็นจึงทรงดมริว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นก็ทรงได้คำตอบว่าเพราะมะม่วงต้นนั้นมันไม่มีผลคนก็ไม่ต้องการมันไม่คว้างปลามันใบของมันก็ไม่หล่นร่วงกิ่งของมันก็ไม่หักพอพระองค์ทรงเข้าพระทัยในเหตุเท่านั้นก็พิจารณามาตลอดทางที่เสด็จกลับ ทรงรำพึงว่าที่ทรงมีความทุกข์ยากลําบากก็เพราะเป็นพระมหากษัตริย์ต้องทรงห่วงใยราษฎรต้องคอยป้องกันแผ่นดินจากฆ่าศึกศัตรูที่คอยจะมาโจมตีตรงนั้นตรงนี้อยู่วุ่นวายแม้จะนอนก็ไม่เป็นสุขบรรทมแล้วก็ยังทรงฝันถึงอีกแล้วก็ทรงนึกถึงต้นมะม่วงที่ไม่มีผลต้นนั้น ที่มีใบสดดูร่มเย็นแล้วทรงดํำริว่าจะทําอย่างมะม่วงต้นนั้นจะไม่ดีกว่าหรือพอถึงพระราชวังก็ทรงพิจารณาอยู่แต่ในเรื่องนี้ในที่สุดก็ตัดสินพระไถยออกทรงพรนวดโดยอาศัยต้นมะม่วงนั้นแหละเป็นบทเรียนสอนพระไถยทรงเปรียบเทียบพระองค์เองกับมะม่วงต้นนั้น แล้วเห็นว่าถ้าไม่พัวพันอยู่ในเพศค า, ารวาะก็จะได้เป็นผู้ไปคนเดียวไม่ต้องกังวลทุกร้อนเป็นผู้มีอิสระจึงออกผนวดหลังจากทรงผนวดแล้วถ้ามีผู้ใดทูลถามว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านพระองค์ก็จะทรงตอบว่าต้นมะม่วงใครเป็นอุปชาของท่านพระองค์ก็ทรงตอบว่า ต้นมะม่วงพระองค์ไม่ต้องการคำพร่ำสอนอะไรมากมายเพียงแต่ทรงเห็นต้นมะม่วงเท่านั้นก็ทรงน้อมเข้าไปในพระไทยเป็นโอปัญญิกธรรมสละราชสมบัติทรงเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษอยู่ในความสงบผ่องใสที่คือในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ก็ได้ทรงบาเพ็ญทำเช่นนี้มาโดยตลอดอันที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเตรียมพร้อมที่จะสอนเราอยู่เสมอถ้าเราทําปัญญาให้เกิดนิดเดียวเท่านั้นก็จะรู้แจ้งแทงตลอดในโลกต้นไม้เครือเขาเถาวัเหล่านั้นมันแสดงลักษณะอาการตามความจริงตามธรรมชาติอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วถ้ามีปัญญาเท่านั้นก็ไม่ต้องไปถามใคร ไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนดูเอาที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นก็ตรัสรู้ธทำได้แล้วเหมือนอย่างพระชนกกุ ม, มารถ้าเรามีปัญญาถ้าเราสังวรสัมรวมดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ตามธรรมชาติอันนั้นมันก็ปรงอนิจจงทุกขังอนัตตาได้เท่านั้นเช่นว่า ต้นไม้ทุกต้นที่เราเห็นอยู่บนพื้นปัทภีนี้มันก็เป็นไปในแนวเดียวกันเป็นไปในแนวอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นของแน่นอนถาวรสักอย่างมันเหมือนกันหมดมีเกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้นแปรไปในท่ามกลางผลที่สุดก็ดับไปอย่างนี้ เมื่อเราเห็นต้นไม้เป็นอย่างนั้นแล้วก็น้อมเข้ามาถึงตัวสัตว์ตัวบุคคลตัวเราหรือบุคคลอื่นก็เหมือนกันมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นในท่ามกลางก็แปรไปเปลี่ยนไปผลที่สุดก็สลายไปนี่คือธรรมะต้นไม้ทุกต้นก็เป็นต้นไม้ต้นเดียวกัน เพราะว่ามันเหมือนกันโดยอาการที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็แปรไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปหายไปเสื่อมไปดับสิ้นไปเป็นธรรมดามนุษย์เราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเป็นผู้มีสติอยู่รู้อยู่ ศึกษาด้วยปัญญาด้วยสติสัมปชัญญะก็จะเห็นธรรมะอันแท้จริงคือเห็นมนุษย์เหล่านี้เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วก็แปรไปแล้วก็เปลี่ยนไปสลายไปถึงที่สุดแล้วก็ ทุกคนเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นคนทุกคนในสากลลโลกนี้ก็เป็นอันเดียวกันถ้าเราเห็นคนคนเดียวชัดเจนแล้วก็เหมือนกับเห็นคนทั้งโลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นทุกสิ่งสารพัดนี้เป็นธรรมะสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาคือใจของเรานี้ เมื่อความคิดเกิดขึ้นมาความคิดนั้นก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วก็แปรไปเมื่อแปรไปแล้วก็ดับศูนไปเท่านั้นนี่เรียกว่านามธรรมาสักแต่ว่าความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปนี่คือความจริงที่มันเป็นอยู่อย่างนั้น ล้วนเป็นอริยสัจธรรมทั้งนั้นถ้าเราไม่มองดูตรงนี้เราก็ไม่เห็นฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาเราก็จะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระธรรมพระธรรมอยู่ที่ตรงไหนพระธรรมอยู่ที่พระพุทธเจ้า อยู่ตรงนี้แหละพระสงฆ์อยู่ที่ตรงไหนพระสงฆ์อยู่ที่พระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ในใจของเราแต่เราต้องมองให้ชัดเจนบางคนเก็บเอาความไปโดยผิวเผินแล้วอุทธาณว่าโอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของฉัน แต่ปฏิปทานนั้นไม่เหมาะไม่สมควรมันก็ไม่เข้ากันกับการที่จะอุทานเช่นนั้นเพราะใจของผู้ที่อุทานเช่นนั้นจะต้องเป็นใจที่รู้ธรรมะถ้าเราตรงไปที่จุดเดียวกันอย่างนี้ก็จะเห็นว่าความจริงในโลกนี้มีอยู่นามธรรมาคือความรู้สึกนึกคิดเป็นของไม่แน่นอนมีความโกรธขึ้นมาแล้ว ความโกรธตั้งอยู่แล้วความโกรธก็แปรไปเมื่อความโกรธแปรไปแล้วความโกรธก็สลายไปเมื่อความสุขเกิดขึ้นมาแล้วความสุขนั้นก็ตั้งอยู่เมื่อความสุขตั้งอยู่แล้วความสุขก็แปรไปเมื่อความสุขแปรไปแล้วความสุขมันก็สลายไปหมดก็ไม่มีอะไร มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ทุกกาลเวลาทั้งของภายในคือนามรูปนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ทั้งของภายนอกคือต้นไม้ภูเขาเถาวันเหล่านี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าสัจธรรมถ้าใครเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมะถ้าใครเห็นธรรมะ ก็เห็นธรรมชาติถ้าผู้ใดเห็นธรรมชาติเห็นธรรมะผู้นั้นก็เป็นผู้รู้จักธรรมะนั่นเองไม่ใช่อยู่ไกลฉะนั้นถ้าเรามีสติความระลึกได้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนผู้รู้ทั้งหลาย ก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นธรรมะตามเป็นจริงทุกกาลเวลาพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านยังไม่ตายแต่คนมักเข้าใจว่าท่านตายไปแล้วนิพพานไปแล้วความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นท่านไม่นิพพานท่านไม่ตายท่านยังอยู่ ท่านยังช่วยมนุษย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ทุกเวลาพระพุทธเจ้านั้นก็คือธรรมะนั่นเองใครทำดีต้องได้ดีอยู่วันหนึ่งใครทำชั่วมันก็ได้ชั่วนี่เรียกว่าพระธรรมพระธรรมนั่นแหละเรียกว่าพระพุทธเจ้าและก็ธรรมะนี่แหละ ที่ทำให้พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระองค์จึงทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมและพระธรรมก็คือพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเป็นธรรมะที่มีอยู่ประจําโลกไม่สูญหาย เหมือนกับน้ำที่มีอยู่ในพื้นแผ่นดินผู้ขุดบ่อลงไปให้ถึงน้ำก็จะเห็นน้ำไม่ใช่ว่าผู้นั้นไปแต่งไปทำให้น้ำมีขึ้นบุรุษนั้นลงกำลังขุดบ่อเท่านั้นให้ลึกลงไปให้ถึงน้ำน้ำก็มีอยู่แล้วอันนี้ชันใดก็ชันนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกัน ท่านไม่ได้ไปแต่งธรรมะท่านไม่ได้บัญญัติธรรมะบัญญัติก็บัญญัติสิ่งที่มันมีอยู่แล้วธรรมะคือความจริงที่มีอยู่แล้วท่านพิจารณาเห็นธรรมะท่านเข้าไปรู้ธรรมคือรู้ความจริงอันนั้นฉะนั้นจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสรู้ธรรม และการตรัสรู้ธรรมนี้เองจึงทำให้ท่านได้รับพระนามว่าพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ก็ทรงเป็นเพียงเจ้าชายสิท ธ, ธรรัตถะต่อเมื่อตรัสรู้ธรรมแล้วจึงได้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าบุคคลทั้งหลายก็เหมือนกันผู้ใดสามารถตรัสรู้ธรรมได้ ผู้นั้นก็เป็นพุทธดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงยังมีอยู่ยังเมตตากรุณาสัตว์ทั้งหลายยังช่วยมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอยู่ถ้ามนุษย์ผู้ใดมีความประพฤติปฏิบัติดีจงรักพักดีต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมผู้นั้นก็จะมีคุณงามความดีอยู่ตลอดทุกวันฉะนั้นถ้าเรามีปัญญา ก็จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้อยู่ห่างพระพุทธเจ้าเลยเดี๋ยวนี้เราก็ยังนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเราเข้าใจธรรมะเมื่อใดเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นผู้ใดที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วไม่ว่าจะนั่งยืนเดินอยู่หน้าที่ใดผู้นั้นย่อมได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา ในการปฏิบัติธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่ในที่สงบสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี้เป็นหลักไว้เพราะสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นที่ตรงนี้ไม่เกิดที่อื่นความดีทั้งหลายเกิดขึ้นที่นี่ความชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นที่นี่ พระพุทธเจ้าจึงให้สังวรสำรวมให้รู้จักเหตุที่มันเกิดขึ้นความจริงพระพุทธเจ้าท่านทรงบอกทรงสอนไว้หมดทุกอย่างแล้วเรื่องศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีตลอดจนข้อประพฤติปฏิบัติทุกประการก็ทรงพร่ำสอนไว้หมดทุกอย่างเราไม่ต้องไปคิดไปบัญญัติ อไอีกแล้วเพียงให้ทำตามในสิ่งที่ท่านทรงสอนไว้เท่านั้นนับว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญมีโชคอย่างยิ่งที่ได้มาพบผลทางที่ท่านทรงแนะทรงบอกไว้แล้วคล้ายกับว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงสร้างสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์พร้อมไว้ให้เราแล้วก็เชิญให้พวกเราทั้งหลาย ไปกินผ ล, ลไม้ในสวนนั้นโดยที่เราไม่ต้องออกแรงทำอะไรในสวนนั้นเลยเช่นเดียวกับคำสอนในทางธรรมที่พระองค์ทรงสอนหมดแล้วยังขาดแต่บุคคลที่จะมีศรัทธาเข้าไปประพฤติปฏิบัติเท่านั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่มีโชคมีบุญมาก เพราะเมื่อมองไปที่สัตว์ทั้งหลายแล้วจะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเช่นวัวควายหมูหมาเป็นต้นเป็นสัตว์ที่อาภัพมากเพราะไม่มีโอกาสที่จะเรียนธรรมะไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมไม่มีโอกาสที่จะรู้ธรรมฉะนั้นก็หมดโอกาสที่จะพ้นทุกข์จึงเรียกว่าเป็นสัตว์ที่อาภัพ เป็นสัตว์ที่ต้องเสวยกรรมอยู่ด้วยเหตุนี้มนุษย์ทั้งหลายจึงไม่ควรทำตัวให้เป็นมนุษย์ที่อาภัพคือไม่มีข้อประพฤติไม่มีข้อปฏิบัติอย่าให้เป็นคนอาภัพคือคนหมดหวังจากมรรคผลนิพพานหมดหวังจากคุณงามความดี อย่าไปคิดว่าเราหมดหวังเสิแล้วถ้าคิดอย่างนั้นจะเป็นคนอาภัพเหมือนสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายคือไม่อยู่ในข่ายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อมนุษย์เป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีเช่นนี้แล้วจึงควรที่จะปรับปรุงความรู้ความเข้าใจความเห็นของตนให้อยู่ในธรรมจะได้รู้ธรรม เห็นธรรมในชาติกําเนิดที่เป็นมนุษย์นี้ให้สมกับที่เกิดมาเป็นสัตว์ที่ควรตัดสู้ทำได้ถ้าหากเราคิดไม่ถูกไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมันก็จะกลับไปเป็นสัตว์เนรชาตเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นยักษ์เป็นผีเป็นสารพัดอย่าง มันจะเป็นไปได้อย่างไรก็ขอให้มองดูในจิตของเราเองเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความหลงเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความโลภเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรนั่นแหละ สภาวะทั้งหลายเหล่านี้แหละมันเป็นภพแล้วก็เป็นชาติเป็นความเกิดที่เป็นไปตามสภาวะแห่งจิตของตน